ตอนที่หนึ่งอันดับหนึ่งของโรงเรียนเจิ้งอวิ๋นชงพยายามพูดตอบใจเจิ้งเซ้าเหิร์นันใดนั้นหลิวหวานที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องมือข้างหนึ่งกำลังแทะตีนไก่ส่วนมื อ, อข้างก็ยื่นจานตีนไก่ที่เหลือครึ่งจานไปให้ที่เคยกินตีนไก่ไหมฉันลองชิมดูแล้ววันนี้โรงอาหารทํารสชาติไม่เลวเลยนะเจิ้งอวิ๋นชงมองลูกสาวด้วยสายตาแอนดูตีนไก่มันมีอะไรน่ากินทําไมไม่ซื้อน้องไก่ล่ะคุณพ่อขะพ่อไม่เข้าใจหรอกเคยกินน้องไก่แค่อันคนะ หลี่หวานพูดด้วยสีหน้าจริงจังหอมมากเลยนะเจ้างเศร้าเหิงจ้องมองจานที่ยื่นมาตรงหน้าสายตาเลื่อนจากตีนไก่มาหยุดที่ใบหน้าของหลี่หวานเขาเงียบไปครู่ใหญ่จนกระทั่งหลี่หวานทำถ้าจะยกจานกลับเจ้างเศร้าเหิงถึงได้ยื่นมือไปรับมาทำไมคะให้ตีนไก่ไปแล้วจะมาเสียใจทีหลังเหรอเปล่าเข้าเมื่อกี้ฉันกินไปจานหนึ่งแล้วนี่จานที่สองหลี่หวานยิ้มกว้างถ้าพี่ชอบกินวันหลังฉันจะซื้อมาฝากอีกนะอืม ความจริงแล้วสิ่งที่เจิงเศร้าเหิงไม่ชอบที่สุดคือการกินของมันมนแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันจะเละเทอะไปทั้งมือแต่ถ้าเป็นของที่หลีหวานส่งให้มันก็ต่างออกไปหลีหวานเห็นเขารับไปแล้วจึงหมุนตัวเดินออกไปเจิงอวินชงละสายตากลับมาเมื่อมองไปทางเจิงเศร้าเหิงรอยยิ้มที่มุมปากก็พลันชะงักไปนี่เขาอาสองครับพวกอาเลี้ยงดูผมมาหลายปีขนาดนี้ก็ลําบากมากแล้วในเมื่อผมมีพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดผมก็อยากจะกลับไปยอมรับพวกเขาครับ เจ้างวินชงรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างที่เศร้าเหิงตัดสินใจเช่นนี้แม้ปากเขาจะบอกว่าเห็นด้วยกับการตัดสินใจของเด็กแต่ในใจก็ยังอดรู้สึกใจหายไม่ได้ตื่ดีแล้วหลังนั้นเธอก็ไปหาพวกเขาเถอะถึงเธอจะจากไปแล้วแต่หลังจากนี้ก็ต้องกลับมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าบ่อยๆนะท่านจะเสียใจเอาจเจ้างวินชงยกมือขึ้นตบไหล่เขาเบาๆก่อนจะลุกเดินจากไปการที่เจ้างเศร้าเหิงจะจากไปคนที่ยอมรับไม่ได้ที่สุดก็คือเจ้าชุนฮวา นางเอาต่เก็บตัวอมทุกอยู่ในบ้านทั้งวันจะมีก็แต่ตอนที่เห็นหลานชายตัวน้อยเท่านั้นที่อารมณ์จะดีขึ้นบ้างเจ้าชุนฮวาขอบตาแดงกำ่ำสุดท้ายแล้วเลี้ยงลูกหลานตัวเองก็สบายใจกว่าจริ ง, รงๆเลี้ยงลูกคนอื่นไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมาสิบกว่าปีมันยังมีความผูกพันนประสาอะไรกับการเลี้ยงคนแม่คะลีอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงขัดจังหวะความเศร้าซร้อยของหญิงชาราแม่อย่าพูดแบบนั้นเลยคะ่ะถ้าเด็กมาได้ยินเขาคงต้องเสียใจแน่ๆ เจ้าชุนฮาวาไม่คิดว่าตัวเองพูดผิดตรงไหนนางรู้สึกว่าสิ่งที่พูดน่ะถูกที่สุดแล้วเธอไม่เข้าใจหรอกเจ้าชุนฮาวากล่าวถ้าลองคิดดูสิเสียหวานถูกเธอเล็งดูมากับมือถ้าตอนที่พวกเธอสองคนแยกกันแล้วแกไม่ยอมตามเธอมาแต่ยืนกรานจะอยู่กับประกูลโจเธอจะรู้สึกยังไงลีชิงพิงไม่กล้าแม้แต่จะคิดแค่ลองจินตนาการดูก็รู้สึกอึดอัดจนหายใจไม่ออกแล้วลูกสาวที่นางเล็งดูมาอย่างยากลําบากจะยกให้คนอื่นไปเปล่าๆไม่ได้เด็ดขาดเฮอะ เจ้าชุนฮาวาถอนหายใจเธอว่าฉันทําอะไรไม่ดีตรงไหนกันแน่แม่ค้แม่ทําดีมากแล้วข้าบางทีเด็กอาจจะแค่อยากใกล้ชิดกับพ่อแม่แท้ๆอีกอย่างเงื่อนไขของตระกูลหยวนก็ดีกว่าบ้านเราแถมไปแล้วก็ใช่ว่าจะไม่กลับมาเสียหน่อยวันหลังเขาก็ยังกลับมาเยี่ยมได้บ่อยๆค่ะลีชิงผิงพยายามปลอบใจยกใหญ่ทางตระกูลหยวนเมื่อได้ยินว่าเจิงเซาเหิงยอมรับบรรพบุรุษและจะกลับไปกับพวกเขาก็ดีใจจนเนื้อเต้นถึงขั้นกลัวว่าเด็กจะเปลี่ยนใจจึงรีบมารับตัวกลับไปในคืนนั้นเลยแม้แต่ข้าของก็ไม่ยอมให้ก็ พอเจิ้งเซ้าเหิงไปแล้วบ้านตระกูลเจิ้งก็พันเงียบเหงาลงไปถนัดตาเรื่องนี้เจ้าชุนฮาวาคงต้องใช้เวลาทําใจอีกสักพักเมื่อเจิ้งเซ้าเหิงที่เป็นที่ใหญ่จากไปในบ้านก็เหลือเพียงเจิ้งเซ้าซิงกับเจิ้งเซ้าหยางที่นิสัยยังไม่โตหลีหวานจึงไม่มีหัวข้ออะไรจะคุยกับพวกเขาได้เลยในวันที่คะแนนเกาข่าวประกาศหลีหวานกับเจิ้งอวิ๋นฉงเตรียมตัวจะไปดูคะแนนที่โรงเรียนทว่าพอเพิ่งจะออกจากเขตบ้านพักทหารก็บังเอิญเจอโจเจี้ยนเย่ยเข้าเสียก่อน ชายผู้นี้เห็นได้ชัดว่าเตรียมตัวมาอย่างดีเสียหวานพ่อรู้ว่าวันนี้คะแนนเกาข่าวออกพ่อไปกับลูกด้วยคนนะโจเจี้นี้กล่าวเวลาสําคัญแบบนี้แน่นอนว่าต้องให้พ่อแท้ๆอย่างพ่อไปอยู่เป็นเพื่อนถึงจะดีไม่ต้องรบกวนผู้การเจิ้งหรอกแววตาของเจิ้งอวิน๋นชงมืดคลึ้มลงทันทีหลหวานเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนถึงแม้ในทางสายเลือดเราสองคนจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างแต่คุณไม่เคยทําหน้าที่พ่อเลยสําหรับฉันนี่ต่างหากคือพ่อของฉัน ลีวานกอดแขนเจิงอวินชงเอาไว้เจิงอวินชงกระตุกยิ้มบางบางวตาแฝงความท้าทายอย่างเห็นได้ชัดเสี่ยววานพ่อรู้ว่าลูกยกังโกรธพ่ออยู่แต่พ่อหวังว่าในโอกาสสาคัญแบบนี้พ่อจะได้อยู่เคียงข้างลูกโจวเจียนเย่พูดด้วยน้ําเสียงจริงจังในเมื่อลูกอยากให้ผู้การเจริงตามไปด้วยก็ตามไปเถอะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรลีวานเห็นว่าเขาจงใจแซงทําเป็นไขสือเขานั่นแหละที่เป็นส่วนเกินชัดๆแต่ทําไมคําพูดของเขาถึงฟังดูเหมือนเจิงอวินชงเป็นส่วนเกินไปได้ โจวเจียนเย่นี่ช่างสำคัญตัวผิดจริงๆคุณพ่อค้เราไปกันเถอ ะ, ะเดี๋ยวถ้าไปช้าจะหาที่เหมาะๆดูคะแนนไม่ได้หลิวหว่านไม่คิดจะสนใจเขาอีกนางหันไปพูดกับเจิงงเจ้งอวินฉงเจิ้งอวินฉงตอบรับด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำอืมได้สิเชื่อฟังลูกสาวอยู่แล้วทั้งสองเดินนำหน้าไปโดยมีโจวเจี้ยนเย่เดินตามหลังมาในระยะไม่ใกล้ไม่ไกลหลิวหว่านไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะตามมาเพื่ออะไรในเมื่อไม่มีใครต้อนรับแต่ยังจะมาหน้าด้านอยู่อีกที่โรงเรียน วันนี้เป็นวันประกาศคะแนนไม่ได้มีแค่เหล่านักเรียนที่มาแต่ยังมีผู้ปกครองมาด้วยนักเรียนชั้นมัธยมป ล, ยปลายปีที่สทั้งหมดอยู่ที่นี่แม้แต่นักเรียนชั้นปีที่หนึ่งและสองก็ยังมามุงดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกหลีหวานมาถึงค่อนข้างเราคุณครูยังไม่ได้ติดประกาศคะแนนไม่เป็นไรนะไม่ต้องตื่นเต้นพ่อเชื่อว่าลูกทำได้แน่นอนเจิงอวินฉงให้กำลังใจคะหลีหวานพอจะคาดเดาวคะแนนคร่าวๆได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนักหวังว่าคะแนนครั้งนี้จะออกมาดีกว่าครั้งก่อน คุณครูมาแล้วไม่รู้ว่าใครตะโกนขึ้นมาจากนั้นคุณครูหลายท่านก็ถูกนักเรียนและผู้ปกครองห้อมล้อมเข้ามาทุกคนใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับคะแนนกำมันจะติดประกาศแล้วเข้าแถวกันหน่อยได้ไหมถ้าเบียดกันแบบนี้พวกเราก็จะไม่มีใครได้ดูคะแนนกันทั้งนั้นคุณครูครับไม่ต้องพูดแล้วรีติดคะแนนเถอะใช่แคเ่เด็กๆอยากรู้จะแย่แล้วว่าได้คะแนนเท่าไหร่ฉันมารอที่นี่ตั้งแต่เช้ารอมาหลายชั่วโมงแล้วนะมาแล้วแล้ว คุณครูเตรียมจะติดคะแนนไว้ที่ผนังด้านนอกบนนั้นมีคะแนนของนักเรียนทุกคนเขียนไว้อย่างชัดเจนกระดาษแต่ละแผ่นมีรายชื่อนักเรียนหนึ่งร้อยคนและมีกระดาษติดออกมาหลายแผ่นหลังชื่อก็คือคะแนนที่สอบได้หลีหวันตัวเล็กเบียดเข้าไปไม่ไหวเจิงอวิ๋งชิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะส่งสัญญาณให้หลีหวันนั่งบนไหลข้างหนึ่งของเขาแล้วยกตัวนางขึ้นอย่างง่ายดายทศนวิสัยของหลีหว่านพันกว้างไกลขึ้นทันทีคุณพ่อเห็นแล้วเห็นแล้วคะหนูได้ที่หนึ่ง ลิวันตไหล่เจิ้งอวินชงด้วยความดีใจเมื่อเห็นคะแนนก็นึกไม่ถึงเช่นกันคะแนนของนางห่างจากคะแนนเต็มเพียงห้าคะแนนเท่านั้นการที่สามารถสอบได้คะแนนขนาดนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายของหลีหวานจริงๆและเซาเหิงละ่ะเจิ้งอวินชงถามต่อลหวันไล่สายตาลงมาจากชื่ออันดับหนึ่งของตนเองจนกระทั่งถึงอันดับที่สิบก็นางเห็นชื่อของเจิ้งเซาเหิงแม้จะเป็นอันดับที่สิบของโรงเรียนแต่คะแนนที่ออกมาก็สูงกว่าคะแนนที่เขาเคยทําได้ตามปกติเสียอีก ที่ดที่สิบค่ะถือว่าทำได้เกินมาตรฐานเลย